เรา่ยฟังทำแล้วยังหลวงพ่อก็มีนิทานมาเล่าให้ประมาณห้าเรื่องและอาจจะเล่าคำสุดท้ายเพราะว่าอีกสองวันลูกเนยก็ศึกแล้วให้ลูกเนยก็ตั้งใจฟังหน่อยวันนี้ก็จะพูดเรื่องกระตันยูแล้วก็สับเพรละเรื่องตลกอาจจะมีเรื่องตลกแทรกอยู่ด้วยด้วยถ้าเกิดหลวงพ่อพูดเรื่องกระตันยูอย่างเดียวเนี่ยลูกเน อ, อาจจะเบื่อก็เลยจะมีสอดแทรกไปวังเรื่องผสมผสานกันไปอนนิทานเรื่องแรก จะเล่าเรื่องราคาเต็มของความรักอ่ะลูกเด่นนะเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อค่อยเล่าเพราะการฟังธรรมจะต้องพร้อมทั้งองฝ่ายพร้อมแล้วจะเริ่มเล่าแล้วมีเด็กชายอยู่คนหนึ่งอายุประมาณเก้าขวบเด็กคนนี้ได้เขียนกระดาษไปขอเงินแม่ถึงก็ยื่นกระดาษให้แม่แม่กาลังทาครัวอยู่เนื้อฟาร์มในกระดาษวิจัยฟาร์มว่าเก็บขยะห้าบาท ดูแลน้องหาบาทช่วยซื้อข้าวให้แม่หาบาททำาะแนนได้ดีหาบาทปาดบ้านหาบาทรวมทั้งหมดเป็นเงินจำนวนวนยีบหาบาทแม่อ่านจบกระพริบด้านหลังกระดาษแล้วก็นำปากกาเขียนตอบมีใจความว่าอุ้มท้อง9เดือนไม่คิดเงิน ค่าอาหารฟรีซื้อของเล่นฟรีพาเที่ยวฟรีเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเช็ดขี้มูกฟรีทุกสิ่งทุกอย่างฟรีหมดราคาเต็มของความรักฟรีแล้วก็ส่งกระดาษให้ลูกลูกอ่านกระดาษของแม่เนี่ย เกิดความทราบซึ้งใจน้ำตาไหลาอาบแก้มเลยมองหน้าแม่แล้วพูดกับแม่ว่าผมรักแม่ที่สุดเลยแล้วก็หยิบกระดาษเขียนหนังสือตัวโ ต, โตเขียนว่าแม่จ่ายให้ลูกหมดแล้วแต่ลูกสิยังยังทอนเงินให้แม่ไม่ครบเลยลูกเนรู้สึกยังไงบ้างกับนิทานเรื่องนี้แม่ พ่อแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราฟรีหมดแต่เราบางทีพ่อแม่ใช้เราทํางานเราต้องมีค่าจ้างค่าตอบแทนมีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมถ้าเป็นยกมือขึ้ น, น, นะนเปลี่ยนกลับบ้านไปเปลี่ยนความคิดน ะ, นนะะไปถึงช่วยแม่ทํางานให้แม่มากเลยให้แม่มีความสุขมากช่วงที่ท่านเนี่ยอุ้มท้องเราเด็กเ้าเดือนเนี่ยลุงีดงคิดดูว่าหนักขนาดไหนกว่าจะคลอดมาได้เนี่ย แค่ลูกในอุ้มบาตรพิบาตรอย่างหนักเลยแล้วแม่เราเดือุ้มท้องเก้าต้องก้าเดือนนะน้ําหนักเราต้องหลายกิโลแล้วต้องกินอาหารระวังด้วยกลัว ม, มีปัญหากับลูกในท้องแล้วไหนตอนข้อเดียวก็เจ็บปวดมากเลยเคยยินข่าวแม่ข้อลูกตา ย, ยาหลายคนนะ่ะตายด้วยความทุกข์ทรมานแม่รักลูกมากบางทีก็ยอมเสียชีวิตตัวเองเพื่อลูกรอดก็มีใา้เราต้องรักแม่เราให้มากมาก ต่อไปทิศฐานเรื่องที่สองเรื่องคำถามเดียวกันมีชายชร า, าอยู่ท่านหนึ่งวันนี้ได้ไปนั่งชมสวยกับลูกชายลูกชายแต่งงานมีครอบครัวไปหลายปีแล้วนานๆนึกกลับมาเยี่ยมบ้านนะักครั้งหนึ่งนั่งเก้าอีย้ยาวๆเน่ยชมสวนหลังบ้านที่สวนก็เป็นทุ่งโล่งมีหญ้าเขียวขจีสวยงามตามชนบทบริเวณนั้นก็มีวัวมากินหญ้าอยู่ พ่อก็ถามอะไรลูกเห็นลางๆลูกชายก็ตอบว่าวัวงไงพ่อเวลาผ่านไปสองสามนาทีพ่อก็ถามอีกนั่นอะไรลูกลูกชายก็ตอบวัวงไงพ่อผ่านไปอีกสองสามนาทีพ่อถามถามเดิมนั่นอะไรลูกตอนนี้ลูกชายชักไม่พอใจพ่อแล้วชักขึ้นเสียงรู้สึกกับพ่อได้ถามซ้ำๆหลายครั้งแล้ว หัวไงพ่อตะคอกละเลอะตะคอกชักบุ่นหงิดพอผ่านไปสองสามนาทีพอกถามอีกนั่นอะไรลูกลูกชายบอกว่าพ่อนี่ชักจะเลอะเรือแล้วก็วัวตัวเดิมไงพ่อผมไปพูดกับพ่อแล้วแล้วก็เดินเดิ น, เ ด, นเดินจากไปเลยโกรธพ่อที่พ่อถามอะไรซ้ำซากๆคันถึงตอนเย็นลูกชายก็รอพ่อมาร่วมรับอาหารอารหารด้วย พ่อก็ไปลงมาสักทีจึงขึ้นไปตามที่ห้องเห็นพ่อนั่งเหม่อมองใจลอยข้างๆตัวพ่อเนี่ยมีหนังสือบันทึกอยู่ลูกชายก็ถือโอกาสเนี่ยอ่านข้อความบันทึกของพ่อข้อความในสมุดบันทึกเขียนไว้ว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วแจ็คลูกชายของเราเนี่ยยังเด็กแล้วก็ช่างช่างผู้ช่างคุยเคย นั่งที่เราเคยคุยกันวันนี้แหละแจ็คถามเราว่านั่นอะไรพ่อเราก็ตอบว่าวัวไงลูกหนึ่งนาทีผ่านไปแจ็คก็ถามอีกนั่นอะไรพ่อพ่อตอบเหมือนเดิมบัวงไงลูกแจ็คถามซ้ํา้ำซากไปอย่างงี้นับสิบครั้งแต่เราก็ตอบโดยที่ไม่รู้สึกโกรธหรือเบื่อหน่ายเลยกับรู้สึกยินดีซ้ํา ที่ลูกใส่ใจเราแต่วันนี้ด้วยคำถามเดียวกันสารที่เดียวกันเราถามลูกแค่สี่ครั้งรัวโกรธแล้วว่าเราเนี่ยสติเลอะเลือนแจ๊ดอ่านดูแล้วรู้สึกว่าหดหูใจมากเลยรู้สึกเสียใจที่แซงปริยาก้าวลาว่าพ่อจึงเข้าไปขอโทษท่าน แล้วก็ไอ้ผู้ดีกับท่านนะท่านอย่าเคลืองเรื่องที่ผ่านมาในวันนี้เลยและเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ดีชายชะลาก็มีความสอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็มีแง่คิดนะว่าบางทีพ่อกับลูกเนี่ยเจอเหตุการณ์เดียวกันพ่อรักลูกมากกว่าจะพ่อยโกรธหรือไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแต่ลูกเนี่ยอาจจะไม่รักเท่ากับพ่อรักเราก็ได้อาจจะรู้สึกท่านน่าเบือ่อน่าลาคาญบางทีเนี่ย คนเบื่อพ่อเบื่อแม่มากก็ส่งท่านมาอยู่บ้านพักโคนชรลาก็มีเพราะคนสมัยนี้ไม่ค่อยยกระดันอยู่รู้คุณ <c oughs> เมื่อไม่กี่วันก่อนเราก็ได้ยินข่าวน้ำพริกเผาแม่ประนอมที่ว่าแม่ประนอ ม, ม, นอมก็มีทรัพย์สมบัติเนี่ยนับพันล้านนะธุรกิจน้ำพริกเผาะถือว่าเป็นคนที่รวยคนนึงมีข่าวว่าลูกสาวฮุบธุรกิจแต่ตอนนี้เขาเคลียร์กันแล้วขอโทษขอโพยกันแล้วซึ่งคนทั่วไปก็รู้สึกคนหูใจแหละเพราะเรื่องในครอบครัว คนทั่วไก็บอกว่าลูกสาว เ, น, เนี่ยนะคุณให้พวกเราก็ให้รักพอ่อรักแม่มากๆนึกถึงบุญคุณของท่านที่เลี้ยงดูเรามาต้องทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เป็นห่วงสังเกตนะแม่พ่อแม่ทุกคนจะห่วงลูกเวลาลูกป่วยลูกเจ็บเนี่ยพ่อแม่ก็เจ็บด้วยตัวเองเจ็บป่วยไม่เท่าไหร่หรอกท่านเราก็ต้องหมั่นดูแลท่านยามให่ท่านแก่อย่าให่ท่านป่วย ตัวอย่างที่ท่านทำให้เราเนี่ยรู้สึกลําคานใจเราก็ต้องนึกถึงบุญคุณท่านมากมากอย่าได้ใช้อารมณ์าหน้ามากกว่าเหตุผลอต่อไปก็จะเล่าทิทานเรื่องที่สาลูกเนรนตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะหลวงพ่อสังเกตลูกเรนเมื่อค่อยตั้งใจฟังเท่าไรเพราะว่าต้องเล่าทิฏฐานที่เกี่ยวพ่อแม่ลูกก่อนเพราะว่าทิทานหลวงพ่อมันจะมีสรุกสรุปเรื่องที่สี่ห้าเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อเราเล่าเรื่องเรื่องที่ไม่สรุป ก, ก่อนเพื่อฝังปลุกฝังความกระดันอยู่ พาะหลบพ่อนบเนี่ยมีจักกิจกรรมวัยการศึูไงถ้าหลบงพ่อมาเล่าเรื่องสนุกกอดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันทนฟังอีกเรื่องห น, นึ่งก็แล้วกันเรื่องที่สเรื่องมูลค่าชีวิตตั้งใจฟังหน่อยที่ตลาดสดแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนนึงอายุ ป, ประมาณ12ขวบวิ่งหน้าตาตื่นออกมาข้างหลังก็มีหญิงวัยกลางคนเจ้าของร้านชำเนี่ยวิ่งตาออกมาตะโกนเสียงโวเวก จะหนีไปไหนเด็กขี้ขโมยในมือเด็กของเด็กชายเนี่ยถือถือยาทาตแล้วก็อยากแก้ปวดพอเด็กเนี่ยวิ่งวิ่งหนีเพราะว่าไม่จ่ายตังไงไม่มีตังจ่ายหนีสุดชีวิตแต่ใที่สุดก็โดนจับได้จับได้แลก็ดา่าด่าแบบด้วยคำหยาบขะนั้นก็มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งไปซื้อของในตลาดพร้อมลูกสาวผ่านมาเห็นเขาจึงเข้าไปถามแล้วเข้าไปเคลีย ด้วยการออกเงินให้เด็กจนเจ้าของร้านชำเนี่ยยอมยุติไม่เอาเรื่องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าสมพรก็ถามเด็กต่อยว่าทำไมหนูถึงไปขโมยของเด็กชายก็ตอบว่าแม่ผมป่วยครับผมไม่มีเงินแม่ผมปวดท้องมากจำเป็นจะต้องเอายา่าไปรักษามแม่สมพรได้ยินตรงนั้นก็สงสารจึงแบ่งส้มให้ไปถุงหนึ่ง บอกคนป่วยต้องกินส้มจะได้หายไวๆถ้าเกิดหนูมีอะไรข้าวาหน้าอย่าไปขโมยนะน้าอยู่ตลาดนี่เองเย็บเสื้อผ้าอยู่มีอะไรก็ให้น้าช่วยได้น้าก็จะช่วยแล้วก็จากกันไปเหตุการณ์ผ่านไป20ปีตอนนี้สมพรก็เข้าสู่วัยชราอายุประมาณห้าสิบกว่าเกือบ0สิประมาณนั้นก็เกิดป่วย ปวดหัวอย่างรุนแรงตอนแรกก็ซื้อยามาทานก็หายหายปวดชั่วคราวนะแล้วก็เป็นอีกอาการกำเริบจึงไปให้หมอตรวจหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้อ ง, งอกในสมองจะต้องผ่าตัดถึงจะหายได้ถ้าไม่ผ่าตัดก็ต้องตายลูกสาวก็เครียดเลยเพราะว่าตอนนี้มีเงินเก็บในธนาคารเนี่ยมีไม่ถึงแสนแต่ถ้าพาแม่ไป ผ่าตัดเนื้องอกในสมองเนี่ยตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะต้องเสียเงินอย่างน้อยห้ากแสนรวมทั้งค่าพักรักษาตัวด้วยจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาแต่ไม่มีทางเลือกอยังไงต้องรักษาชีวิตแม่ให้รอดไว้ก่อนเรื่องเงินเดี๋ยวค่อยค่อยหาดับหน้าจึงนําแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพการผ่าตัดก็ดําเนินไปได้ดีจนแม่สมพรเนี่ยปลอดภยัยแต่สิ่งที่วิตกกังวลก็คือค่าษา คันถึงวันออกจากโรงพยาบาลจึงไปเคลียร์เคลียร์ค่ารักษากับหมอก็สรางความแปลกใจมากเพราะว่าค่ารักษาเนี่ยไม่ถึงพันบาทเสียแค่ค่าใช้จ่ายเรื่องเรื่องรู้เรื่องนี้จุกจิกเล็กน้อยนั่นเองแล้วทางโรงพยาบาลก็ฝากจดหมายให้มาฉบับหนึ่งสมพรกับลูกสาวเปิดอ่านเนื้อฟาร์จจดหมายเขียนไว้ว่ากรผม นายแพทย์เดชาทองวิจิตรเป็นหมอหมอผ่าตัดนางสมพรผู้จัดมีค่าใช้จ่ายดังนี้ค่าหมอศูนย์บาทค่ายาศูนย์บาทค่าผ่าตัดศูนบาทค่าใช้ใจ่ายอื่นๆศูนย์นบาทปลอหมายเหตุเพะนางสมพรได้ให้ค่าใช้จ่ายไว้แล้วเมื่อ20ปีก่อนด้วยยาแก้ปวด ยาธาตุและส้มหนึ่งถุงขอให้นาสมพรสุขภาพดีแข็งแรงไวๆนะครับจากนายแพทย์เดชาขัดานจบเนี่ยสมพรและลูกสาวเนี่ยน้ำตาไหลอาบแก้มเลยเพราะคาดไม่ถึงว่าเด็กที่เคยช่วยไว้เมื่อ20ปีก่อนจะย้อนกลับมาช่วยตัวเองอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกนี้โลกเป็นกลม การให้อาภายัยการช่วยเหลือการให้โอกาสสิ่งที่ดีๆก็ย้อนกลับมาหาเราท่า น, นพว้ลุกเนรสิริใจนี้ถ้ามีโอกาสช่วยคนที่เขาเดือดร้บากเดือดร้อนเนี่ยเราก็ควรช่วยสักวันหนึ่งเขาอาจช่วยเราก็ได้แต่เราต้องช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนนะไม่หวังคุณคุณบัทีร่าจะลืมไปแล้วแต่เขาไม่ลืมเราช่วยอะไรใครเอ้ยเราเราไม่จําแต่ถ้าใครช่วยอะไรเราเนี่ยเราต้องจํานั้นเราจะมีความสุข ถ้าเกิดเราช่วยอะไรใครแล้วเราจําเนี่ยเราจะทุกข์นะเพราะบางทีเขาอาจจะไม่อาจจะไม่ตอบแทนบุญคุณเราก็ได้เพราะว่าการตอบแทนบุญคุณเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุเหมือนกันคนที่เราช่วยเนี่ยเขาอาจจะว่าอาจจะคิดว่าเรายัางดีเขาไม่พอที่จะตอบแทนบางทีเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ที่ดีลูกมา ก, มากๆเนี่ยลูกก็ยังชินชากับความดีของพ่อแม่เลยมีฟษษ้ารู้สึกว่าพ่อแม่ต้องมีหน้านที่เลี้ยงดูเราเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ส่วนกว่าที่เราเนี่ยจะมีลูกเองน่นแหละเรารับผิดชอบรับบา หาเงินเมื่อนั้นแหละเราถึงรู้ว่าพ่อแม่ลาบากและรึึกถึงบุญคุณของท่านอต่อไปก็จะเล่านิทานเรื่องที่สี่เรื่องพระเจ้าสร้างโลกพระพรหมได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาโดยปั้นดินเหนียวแล้วก็นําปานไปใส่ที่จมูกสิ่งมีชีวิตก็เข้ามาถามพระพรหมว่าจะให้เรียกว่าอะไรมีอายุเท่าไหร่และใช้ชีวิตอย่างไรพระพรหมให้เรียกว่าคน ให้มีอายุ30สปีใช้ชีวิตแบบสบายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอยู่แบบสบายๆแล้วพระพม์มเมื่อสัญญาว่าจะให้คนอยู่แบบสบายๆสาสบาปีเพื่อไม่ให้คนลำบากจึงสร้างวัวขึ้นมาเพื่อให้ทำงานแทนคนวัวก็ถามพระพรหมว่าจะให้มีอายุกี่ปีพระพม์มบอก30สปีวัวรู้สึกว่าการที่มาทางานรับใช้คนเนี่ยเป็นงานหนักมากเลย30ปีเนี่ยนานไปสหรบับวัว วัวเลยขอผมบอกขออายุเหลือสิบปีได้ไหมพระผมก็เห็นใจวัวก็ยอมตกลงสิบปีก็สิบปีฝ่ายคนจึงไปขออายุจากพระผรมขออายุวัวพระผมก็ใจดีก็ให้อายุวัวให้แก่คนไปคนจากตอนแรกสาสิบปีก็กลายเป็นห้าสิบปีต่อมาพระผมเห็นว่าคนมีวัวแล้วภายข้างหน้าเผื่อต้องเฝ้าบ้านรักษาทรัพย์สมบัติจึงสร้างหมาขึ้นมา ตั้งใจว่าจะให้หมาเนี่ยเฝ้าบ้านหมาก็ถามว่าจะให้มียายุกี่ปีพระพมก็บอกว่า30สปีหมาก็คิดดูเอ๊ะสาสิปีนี่นานนะต้อง เ, อเฝ้าบ้านให้คนเสง็เสงเหน้าดูเลยจงขอลดเหลือสิปีก็พอแล้วพระพมสงสารหมาก็ยอมอ่ะสิปีก็สิปีฝ่ายคนก็เหมือนเดิมเลยแหะคนที่โลภอยู่แล้วก็เข้ามาหาพระพรหมเพื่อจะมาขอยุหมาพระพมก็หัวเราะชอบใจเดี๋ยวเถอะจะรู้สึก แล้วก็ให้อายุหมากับคนไปคนตอนแรกได้อายุวัวมาเป็นห้าสิบปีตอนนี้ได้อายุหมา20ยี่สิบปีก็กลายเป็นเจ็ดสิบปีพระผมก็เห็นใจคนอี ก, กแหละพระผมใจดีกลัวคนจะเครียดจึงสร้างลิงขึ้นมาให้เป็นตัวตลกให้ให้ความบันเทิงกับคนน่แหละเห็นลิงแสดงทีท่าตลกๆจะได้มีความสุขบ้างลิงก็ถามพระผมว่าจะให้มีอายุกี่ปี พระผมบอกสาสิปีลิงรู้สึกว่าสาสิปีนานนะการแสงฝันตลกให้คนขบขันเนี่ยขอลดอายุเหลือสิบปีก็พอละอ่ะพระพรก็เหมือนเดิมใจดีสิบปีก็สิบปีคนพอรู้ข่าวว่าลิงลดอายุเนี่ยก็เข้าไปขอยุลิงมาเพื่อเพิ่มให้เป็นอายุของตนตอนแรกเจ็ดสิบปีพระผมก็ให้เหมือนเดิมพระผมให้อีกยี่ปีก็กลายเป็นเก้าสิบปีพระพมก็สมมําหน้าหัวเราะชอบใจใหญ่เลยนั้นเราสังเกตนะ ช่วงอายุ30ปีแรกเนี่ยเราจะมีความสุขสนาน ร, รื่นเริงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอกไม่ต้องคิดเรื่องทํามากินเท่าไหร่หรอกอันนี้เป็นอายุของคนแท้ๆเลยแต่อายุที่ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องทํางานหนักแต่เกิดอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยเราไปรับอายุวัวมาก็ต้องทํางานหนักสร้างครอบครัวสร้างฐานะรับผิดชอบมากมายหลังจากนั้นอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ย ไปรับอายุหมามาก็ต้องวิตกกังลวลบางทีก็จุกจิกจูจีจ้ขี้บน่นเพราะหมาต้องหอนไงดังนั้นเราสังเกตคนอยุห้าสิบขึ้นไปจะจูจี้จุกจิกแล้วบางทีบน่น น, บนนู่นบ่นนี่แล้วก็ห่วงสมบัติห่วงบ้านพออายุเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยก็จะหลงหลงลื ม, ล, มลืมแล้วกินข้าวแล้วบางทีก็ไม่ได้ลึกว่ายังไม่ได้กินเพราะคนแก่เนี่ยบางทีก็ตันหากับได้หน้าลืมหลังอะไรเงี้ย บางทีก็เป็นที่หัวร้อขอบขันกับลูกหลานเพราะไปรับอายุของลิงมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นนิทานเศรษสีคนลูกนี่ก็สังเกตไว้ว่าเป็นจริงไหมช่วงเด็กยังไม่คิดอะไรหรอกเพราะอยู่ในช่วงอายุของคนสาสิปีแรกนี่แหละเพราะเดี๋ยวเกินสาสิปีขึ้นไปเนี่ยฝารับผิดชอบจะสูงขึ้นละเป็นผู้ใหญ่50สิปีขึ้นไปก็เฝ้าบ้านรักษาสมบัติหัวแหนจุกจิกจูจี้เจสิบขึ้นไปเจสิปีขึ้นไปก็หลงลืม ้โลกเราก็เป็นแบบนี้แหละใกล้เคียงกับนิทานมากมานิทานเรื่องหนึง่งมองในกาไหนกาในบุนเร็วยังก็ไม่รู้นิทานยังไม่จบเลยแต่เล่าได้อยู่ลูกเดียตั้งใจฟังนะนิทานเรื่องนี้ไม่เล่าก็เสียดายเรื่องเสียไข่เพราะปวดหัวมีชายหนุ่มคนหนึง่งชื่อว่าโจชายคนนี้ตอนนี้มีอายุสามแล้วโจน่ยปวดหัวตั้งแต่อายุสิตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นเพราะเรียนมากใช้สมองมากหรือเป็นเพราะ ทำงานจนปวดหัวผมเป็นเรื่องธรรมดาจึงไม่ไม่ไปหาหมอรักษาแต่อาการปวดหัวกําเริบหนักขึ้นหนักขึ้นจนทนไม่ค่อยไหวคาถึงอายุสามแปดจึงตัดสินใจปรึกษาหมอดีกว่าหมอคนนี้เก่งมากหมอก็พูดกับโจว่วาหมอเนี่ยมีข่าวดีข่าวร้ายมาบอกจะให้บอกข่าวไหนก่อนโจก็บอกว่าให้บอกข่าวดีก่อนก็แล้วกันได้ข่าวดีก็คือหมอเนี่ยมีทางรักษา โรคของคุณหายขาดชัว่วอ้าวแล้วข่าวร้ายล่ะหมอตัดไข่คุณทิ้งโจได้ตกผวางเลยตอนนี้อึง้งกลับบ้านขอคิดดูก่อนไปนอนคิดตั้งสองสามคืนโจเที่ยสุดอืมก็ตัดถิงใจผ่าตัดดีกว่ายอมตัดไข่ดีกว่าดีก็่ปวดหัวคือหมอเขาบอกว่าที่ต้องตัดไข่ทิ้งเพราะว่า ไอ้ไข่สองข้างเนี่ยมันไปนดันลำไส้ส่วนล่างให้ไปกดทับเส้นประสะาททำให้อาการปวดหัวกำเริบก็เลยต้องตัดไข่รูกเรียนฟังต่อไปเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมันจะโยงเรื่องมาเรื่องตัดทำมาทมาถึงเรื่องปวดหัวฟังต่อไปหลังจากโจตัดไข่แล้วออกจากโรงพยาบาลรู้สึกว่าสม อ, องโป่งโล่งไปหมดอาการปวดหัวาหายแต่ก็เหมือนว่าตัวเองขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง จึมีความสึกว่าจะต้องเติมให้เต็มจึงเข้าไปร้านตัดสูตรที่แพงที่สุดของเมืองเพื่อชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปไงเข้าไปถึงร้านตัดสูตรชายแก่เจ้าของร้านเนี่ยออกมาต้อนรับโจก็บอกว่าผมขอสูตรเท่ๆสักตัวชายแก่มองโจอยู่แป๊บหนึ่งโดยไม่ต้องใช้ไอ้ตลับเมตรมวัดนะแล้วก็พูดคิดว่าขนาดคุณเนี่ยสี่สิบสี่กำลังเหมาะเลย โจก็สงสัยเอ๊ะไม่วัดอนะรู้ได้ไงว่าส4สิบสี่อย่าสงสัยเลยผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วโจก็ลองสูตรใส่แล้วรู้สึกว่าอืมเข้ากับร่างกายเหาะสมทุกส่วนก็เดินชมรอบร้านนั่นแหละชายชราก็เข้ามาถามอีกเชื้อตัวไหมครับอืมก็ดีเหมือนกันชายชราก็มองมองไปที่รูปร่างของโจก็พูดคิดว่าสามสิบสี่รอบคอสิบหก โจก็ถามเหมือนเดิมแบบรู้ได้ไงยังไม่ได้วัดเลยชายชาลารบอกผมเปิดร้านมาหกปีแล้วโจลองใส่เสื้อเชิ้ตดูก็สมส่วนอ่ะคือเข้าได้เลยโดยไม่ต้องวัดแล้วก็เดินชมรอบร้านเหมือนเดิมแหละชมไปชมมาชายชาลาก็เสนอสินค้าต่อรองเท้าใหม่ๆละคู่ไหมครับโจบอกก็ดีเหมือนกันชายชาลามองปฏิ่ตีนก้าวนิ้วครึ่งโจใส่รองเท้าก้าวนิ้วครึ่งปุูสบายเท้าเลยลองเดินไปเดินมาดูสักพักหนึ่ง ชายช า, าก็เสรสินค้าต่ อ, อกรองกางเกงใหม่ ใ, ใหม่ๆทั้งตัวไหมครับโจก็บอกก็ดีเหมือนกันชายชล า, าก็บอกว่าอย่างคุณเนี่ยต้องสามสิบหกโจหัวล็อกากากเลยบอกคุณเ น, น่ผิดแล้วผมน่ใส่สามสี่าตลอดตั้งแต่อายุสิบแปดชายชลาก็ก็บอกว่าตายหาแล้วอย่างคุณเนี่ยใส่สามสิบสี่ไม่ได้หรอก เพราะมันจะไปดันไข่คุณเนี่ยลังไข่เนี่ยให้ใบดันลำไส้อีไปกดทับเส้นประสาทของกระดูกสันหลังอเอา้าคุณไม่ปวดหัวบ้างเหร อ, อตอนนี้โจ อ, อึ้งเลยตกขวังเลยเราได้รู้เนี่ยรู้ยังว่าเพราะอะไรขางเกงในเป็นเหตุเพราะโจเนี่ยดือ้อแล้วก็ไม่ปรึกษาใครแต่ถ้าเกิดมาหาลานนี้ก่อนไปหาหมอก็ไม่โดนตัดไข่ แค่เปลี่ยนนางเกียนให้หลวมให้ให้ให้เหมือนชาวบ้านเขาแค่นั้นเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการเพราะการตัดสินใจบางเรื่องเนี่ยเราควรถามเพื่อนควรปรึกษาผู้รู้ก่อนอย่างโจเขาไป่ปรึกษาเขาอายไงให้ลูกเนยจะทําอะไรบางเรื่องเรานี้เราเราเครือบแคงสงสัยอ่ะควรควรจะไต่ถามก่อนมันงั้นจะไปแบบโจก็ได้ต้องปรึกษาปรึกษาคนที่รู้ ปัญหาต่างก็จะคลายเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หมดปัญหาที่จริงหลวงพ่อมีพิธานอีกหลายเรื่องนะหลวงพ่อคิดว่าเวลามันหมดล้วเพราะว่าถ้าเล่าต่อเนี่ยเดี๋ยวหลวงหลวงพ่อนบจะรอก็เอาเรื่องนี้จบละถึ ง, ร ง, งถเรื่องท้ายจริงมันมีอีกสองสาเรื่องแต่ว่าเวลาหมดหมดเวลาอก็ขอจบลงแค่นี้ขอลูกในมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็จงมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะอย่าลืมพ่อแม่ต้องรักพ่อแม่ให้มากมากจบลงแค่นี้